จิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบนะต้องทําขึ้นมาวนะิปสัสสนาไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสุขเอาดีเอาสบายเอาอะไรต่างๆเหล่านี้วิปสัสสนานั้นฝึกเพื่อเอาความจริงเท่านั้นเองฝึกเพื่อเอาสัมมาทิจิฝึกเพื่อให้เห็นความจริงนะความจริงของอะไรความจริงของกายกับใจนะกายกับใจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกขนะ์ขันห้าคือตัวทุกข์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 ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงที่ปล่อยวางได้หมดความยึดถือดังนั้นวิปัสสนาเนี่ยเราต้องคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองจนกระทั่งเข้าใจความเป็นจริงนี้การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนบทเรียนไว้สามบทก่อนที่จะมาถึงขั้นเจริญปัญญารู้กายรู้ใจนะท่านสอนลายสิกขานะอันแรกเลยเรื่องศีล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 บทเรียนนี้อาภัพที่สุดนะพวกหนึ่งก็จะนั่งแต่สมาธิคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเคลื่เล่อไปเรื่อยๆเรียกว่าจิตตสิกขาไม่ใช่นะจิตสิษยาคือการเรียนรู้เรื่องจิตว่าจิตชนิดใดเป็นกุศลชนิดใดเป็นอกุศลจิตชนิดใดไว้ทําสมถะจิตชนิดไหนไว้ทํำมิปัสนาจิตชนิดไหนใช้ไม่ได้เลยนะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่าง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 เยอะที่สุดเลยมีในทุกค่ายทุกสํานักมีหมดนะเหมือนๆกันหมดอนะ่ะเวลาถูกก็ถูกอย่างเดียวกันผิดก็ผิดเหมือนๆกันนะงั้นวิธีใดวิธีปฏิบัติอัะไรหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าถูกหลักไม่ได้ว่าสํานักใดดีกว่าสํานักใดเหมือนๆกันนะถ้าเราเรียนให้รู้หลักแล้วก็การปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองนะการปฏิบัติจะยากที่สุดเลยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร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 จิตที่เป็นกุศลจริงๆจะต้องมีละหูตามีความเบานะถ้าเมื่อไร่เราปฏิบัติแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาต้องรู้นะทําผิดแน่นอนอาภูสนเกิดขึ้นแทนกุศลละเวลาลงมือปฏิบั ต, บติบางคนหนักอึดเลยนะหนักเหมือนแบบแบบภูเขาขึ้นครบไม่ใช่แบบครกขึ้นภูเขาล้วนะมันหนักขึ้นมาถ้ามันหนักขึ้นมาแสดงว่าทําผิดแน่นอนจิต ท, ที่เป็นกุศลเบานะ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 เราสูญเสียจิตของมนุษย์กลายเป็นจิตของโลมขึ้นมาแทนะจิตของพฟลมเนี่ยจะนุ่มนวล น, นะเบิกบานนุ่มนวลมีความสุขแต่มันเยิม้มเยิมอยู่นิดหนึ่งมันจะเยิ้มเยิมย ม, มีความสุขนะเนี่ยจะหลวงพ่อทําให้ดูนะถ้าใครดูเป็นนะเนี่จะนุ่มนวล น, นะมีความสุขปลาคะแทบอยู่ไม่เห็นดูออกใช่ไหมชาวเชียงใหม่พวกนี้ได้ทิพยจักรสุดูออก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 นะนักปฏิบัติจำนวนมากเป็นอย่างนี้ราคะแทรกแล้วโมหแะแทรกแล้วไม่เห็นอีกแล้วส่วนในพวกที่กาหนดเอากาหนดเอาเริ่มต้นมือใหม่ๆนี่นะโมหกะกับโทสะแทรกก็กำหนดได้ที่เพ่งได้ที่โมหกะาากับราคะแทรกนี่ต้องเรียนนะต้องเรียนจนเรารู้จกักรษณะของจิตเราจะได้เดินไม่พลาดถัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีจิตที่เป็นกลางได้จิตที่ผิดมีสองตัวจิตที่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 ถ้าเราเป็นพวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบวันๆไม่อยากยุ่งกับใครพวกนี้ต้องดูกายเพราะกายนี่มันจะให้เห็นเห็นง่ายไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะส่วนพวกชอบคิดมากจิตใจวักแวกแวกัแวกแนะี่ให้ดูจิตเอานะดูจิตไปเลยพวกคิดมากนจิริตคนมีสองอย่างที่ใช้ทำมิปัสสนาตัณหาจิริษกับทิฏฐิจิิริษณนะก็มีดูกายกับดูจิต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 มันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรีว่าจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ในภาษาแขกจริงๆตรงกัะสับจริงจริงคือเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะความเป็นหนึ่งจิตหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งครูบาอาจารย์วัดป่าจะเรียกว่าจิตผู้รู้พอเราปฏิบัติไปมันจะมีจิตผู้รู้ตั้งขึ้นมามันจะเห็นเลยกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งะ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 ใจเป็นอิสระนะดูอยู่ห่างๆคล้ายๆเราดูคนอื่นเราเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆเราจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะไม่ต้องคิดเลยกายนี้ไม่ใช่เราทันทีเลยดูออกแล้วใช่ไหมชาวเชียงใหม่กายไม่ใช่เราเยอะๆนะในห้องนี้มีมากกว่ายี่สิบคนอีกที่ดูตรงนี้ได้แล้วง้นที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู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 ถ้าผิดหลักนะถึงจะรูปแบบเดินสวยยังไงนะมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะงั้นถ้าเดินสวยๆแล้วบรรลุธรรมนะโยธาวาติบัรลุแล้วนมันเดินสวย <c oughs> มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยนะกะิริยาท่าทางทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นใครเคยทำกรรมฐานอะไรทำต่อไปนะยกตัวอย่างนะคนไหนเคยหัดรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ต่อไปไม่ต้องเลิกนะ ถ้ารู้แล้วสบายนะแต่ถ้ารู้แล้วอ่นอัดก็แสดงว่าไม่เหมาะไปหารมันอื่นแทนแล้วรู้ลมหายใจไปการรู้ลมหายใจเนี่ยจิตจะแยกออกได้สี่ถังอันที่หนึ่งรู้ลมหายใจไปแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินี่ใช้ไม่ได้เลยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของพวกดูลมหายใจคือพวกที่หนึ่งนี่นะดูไปแล้วก็เคลมลืมเนื้อลืมตัวไปนี่ใช้ไม่ได้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 ทำไปเดียวยวก็จะสงบแต่จะตั้งมั่นขึ้นมาได้พักผ่อนนั้นอย่างที่หนึ่งหลงไปเลยอย่างที่สองไปหลงทำสมถะเข้าไปทำสมถะเพ่งเพ่งกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งทองเพ่งจิตเพ่งได้เหมือนกันหมดนะทุกสำ น, นักนะอันที่สามเรารู้ลมหายใจหรือรู้ท้องฟองยุบหรือขยับไม้ขยับมืออะไรเนี่ย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 มีผู้ตียำปีตาตียำปีถึงจะรู้เรื่องหรต้องฟังแล้วฟังอีกนะฟังครั้งที่หนึ่งที่จะรู้เรื่องเนี่ยมีแต่น้อยครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ครั้งที่สามนีรมน่รู้เรื่องนี่มีเยอะแต่ฟังต่อเนื่องนะไม่ใช่ปีนี้มาฟังแล้วหายไปสามปีแล้วมาอีกทีนะมันก็เหมือนเดิมแหละลืมไปหมดแล้วนะรู้สึกไหมจิตใจตอนนี้พอหลวงพ่อเปลี่ยนเรื่องคุยไม่ได้คุยธรรมะจิตใจของเราเริ่มเคลื่อนไหวรู้สึกไหม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 นี่มันเอาท้องของยุบเป็นพื้นฐานแล้วมาดูจิตได้ทําจิตตานุปัสสนาได้ะรู้ลมหายใจก็เหมือนกันรู้แล้วขาดสติใช้ไม่ได้รู้แล้วเพ่งลมหายใจได้สมถะรู้แล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทํำ ม, มิปัสสนาดูกายเห็นเลยตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกรู้ลมหายใจแล้วก็ค่อยรู้สภาวะของจิตใจไปนี่ก็ไปดูจิตขยับมือใส่หลวงพระเทียนขยับแล้วใจลอยใจลอย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 ไอ้คิดตลอดเลยนะถึงจะคิดหนอคิดหนอก็ไม่มีผลอะไรไอ้คิดหนอนะะั่นแหละคิดแหละนะหัดรู้สภาวะไปนะทางใครทางมันนะแต่ละคนมีทางเฉพาะของตัวเองนะไม่ต้องเรียนแบบกันนะไม่ต้องเรียนแบบกันแต่ฟังหลักใครสิกขาที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังให้รู้เรื่องนะศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจใกระทบอารมณ์คอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะ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 จิตต้องรู้ตื่นต้องเบิกบานรู้เนี่ยรู้ตัวต้องสบายถ้าปฏิบัติแล้วอึดอัดอกุศลแน่นอนนะแลวจิตที่อึดอัดเนี่ยเป็นอกุศลและจิตแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตเบาๆไม่แน่ว่าเป็นกุศล น, นะต้องระมัดระวังบางคนบอก ว, ว่าจิตเบาทั้งวันเลยนี่เบาอย่างนี้เดี๋ยวพวกดูจิตเป็นก็จะดูหลวงพ่อทาให้ดูนะมันจะเบา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 พอเรียกให้เข้าบ้านแล้วไม่ยากเข้าเราจะโมโหนะอาจจะจับเด็กมาตีก่อนเด็กยังไม่ทันจะป่วยเพราะเป็นหวัดเลยแต่เจ็บเพราะถูกตีแล่วเนี่ยกุศลพลิกเป็นอกุศลไปเรียบร้อยแล้วหรือมีนะพระมีก่อนมีอยู่องค์หนึ่งมีชื่อเสียงท่านเจริญเมตตามากเลยพอเมตตาล้ําหน้าปว่าสติสติตามไม่ทันจิตพลิกเป็นราคะจิตพลิกเป็นราคะงั้นเมตตาเนี่ยพลาดนิดเดียวจะพลิกเป็นราคะเลย กุณานะพลาดนิดเดียวจะพลิกเป็นโทสะเลยต้องระมัดระวังอก<า>ุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้อกุศลพลิกเป็นกุศลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราใจลอยไปเราใจลอยเราเกิดสติระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยนี่พลิกเป็นกุศลละอกุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้ถ้าในขั้นละเอียดนะเช่นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเช่นเราใจลอยอยู่ใจลอยมาหนึ่งชั่วโมง น, นี่เป็นอกุศล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 ทำจิตหลวงพ่อทำให้ดูนะพวกที่ดูเป็นดูไว้ย <Yeah. S 1> อยู่ระดับเนี้ยนะระดับเนี้ยจะเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นจิต mm. จิตเที่ยง mm. รู้สึกไหมจิตคงที่ตลอดกี่วันกี่คืนจิตก็คงที่อยู่ตลอด mm. สิ่งอื่นหรอกไม่เที่ยงจิตเที่ยง mm. ล้าสักระยันทิฐิไม่ได้จริงหรอกแต่ถ้าปฏิบัติเข้าทางสายกลางที่ถูก mm. วิธีจะทําทางสายกลางที่ถูกนะรู้ตรงที่ผิดไว้ หาดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเผลอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้นะโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้รุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติตัวจริงเกิดจะเข้าทางสายกลางเองทางสายกลางเนี้ยไปจงใจเข้าไม่ได้หรอกถ้าเราไม่รู้ว่ากลางอยู่ตรงไหนบางคนพยายามหาจุดที่กลางนะกลางต้องอยู่กลางของหน้าอกแน่เลยหรืออยู่กลางหน้าผากนะนั่นมันกลางอะไรก็ไม่รู้แล้วนั่นมันกลางกายนะหรืออยู่เหนือสะดือหรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยหากลางไม่ใช่กลางไม่ได้เข้าอย่างนั้น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 มีโมหะแทรกดูออกไหมมัวนิดนึงดูออกหเปล่า <c oughs> บอกเราเห็นไหมเพราะโมหะเป็นกิเลสที่ทาให้เราไม่เห็นสภาวะจูนหลงอยู่รู้ไหมยังไม่รู้อีกเหรอบอกแล้วยังไม่รู้อีกเหรอ <c oughs> รู้สึกไหมใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมติดใจกระเจา๊ยกระจายอยู่รู้สึกไหม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 ตัวเนี้ยังทรงใจทําอยู่มันจะเหมือนกับว่าเรามองออกไปข้างนอกแล้วเห็นของข้างนอก อ, อยู่ใช่ไหมเจ้าค ะ, ะแต่เราก็บางทีเราก็ไม่ได้เห็นจิตตัวเองแต่เรารู้สึกว่าเรากําลังมองอยู่เจ้าคะอ่ะไม่ตรงที่รู้ว่ากําลังมองเนี่ยนะยังไม่เป็นธรรมดานะรู้สึกไหม ย, ยังเกินธรรมดาอยู่มันทื่อๆนิดนึงมันมันก็บางทีมันก็อยากจะกลับมาดูจิตแล้วเจ้าอย่าอยากอย่าอยากถ้าอยากให้รู้ว่าอยากพออยากเรารู้ว่าอยากนะดูจิตเสร็จแล้ว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 ทีนี้พอรู้ว่าจงใจกลับมาดูเนี่ยก็จะเห็นความอยากอยากที่จะกลับมาดูเอออารมณ์แรกมันก็จะจางไปมันจางไปเพราะเป็นอดีตไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นมันก็น <ะ S 2> ดับไปอารมณ์อันนั้นก็ดับไปแต่ว่าความอยากก็ไม่เห็นว่ามันดับเพราะว่ามันไม่เห็นตัวความอยากตั้งแต่ต้นนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรนะแล้วทำไมหวานรู้ว่าอยากดูอ่ะมันรู้อยู่นะนั่นแหละตรงที่มันรู้อยู่นั่นแหละเรียกว่ารู้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 อ๋ออย่างนี้ดูเป็นอย่างนี้ดูเป็นแล้วอย่างที่โยมมองหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อเทศน์เนี่ยค่ะมันยังรู้เกินไปหน่อยใช่ไหมยังเกินไปหน่อยยังใจหวานตอนเนี้ยยังเกินปกติดูออกไหมมันเป็นยังไงเกินด้วยมันรือเขาแบบนึ้งใอแล้วถ้าถ้าอย่างนั้นเราจะทํายังไงให้มันทําไม่ได้หวานให้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็อย่าไปเกลียดมันด้วยถ้าเกลียดมันรู้ว่าเกลียดมันถ้าอยากแก้รู้ว่าอยากแก้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 ถ้าจงใจปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยนะต้องมีเหตุทั้งหมดแหละนักปฏิบัติก็จะปรุงแต่งจนใจของเราทื่อๆขึ้นมาแล้วอย่างยมดูลูปภายนอกเนี่ยจริงๆยมเออส่งออกนอกหรือเปล่าเจ้าคะหรือไม่อ่ะ ห, อหวานแบบคับรูปคับดอกอเหยบเรือสองแคมด อ, อกไหมออกนอกก็ไม่ออกจริงนะ <c oughs> ออกแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ย <c oughs> ออกอย่างเนี้ย ครัวจะออกอ่ะก็ดึงไว้หน่อยหนึ่งนะมันมันไม่ออกจริงด้วยซ้ําไปถ้าออกไปเลยมันก็หลงไปนานหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงเอาแต่มันหลงนานนะเจ้าค่ะนั่นมันนานเกินไปใช่ไหมเห็นไหมมันน่าจะสั้นกว่านี้เห็นไหมมีคําว่าน่าจะละ <ừ. S 1> มากไปน้อยไปเกินไปนี่นี่เกิดจากความคาดหวังของเราเองทําไมมันถึงจะหลงสั้นลงสั้นลงถ้าจิตจําสภาวธรรมได้แม่นมันจะหลงสั้น สติจะเกิดบ่อยเพราะฉะนั้นทุกคนนะฝากเป็นการบ้านของทุกคนเลยเคยทํากรรมฐานอะไรอย่าเลิกนะภากเทียนทําไปยกเว้นพวกที่ดูออกนอกจริงๆอะ่ะไปเพ่งเทียนเพ่งอะไรต่ออะไรออกข้างนอกไปเลยนะพวกนี้ไม่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยย้อนกลับมาดูกายใจยากถ้าเป็นกรรมฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับกายกับใจนะไปดูต่อไปตกค่านะไหว้พระสวดมนต์นะแนะนำนะข้อนแนะนําไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเคยปฏิบัติยังไงกรรมฐานอะไรทําไป แต่ทําเพื่อหัดรู้สภาวะนะนี่ตรงนี้ต่างจากเดิมนิดนึง่งนะเคยดูท้องฟองยุบไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์สั่งให้ดู <c oughs> ก็ดูลูกเดียวเลยหวังว่าวันหนึ่งจะดีลองปรับนิดนึงดูท้องฟองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลก็รู้หัดรู้ไปหัดรู้สภาวะนะการที่เราทุกวันเราหัดรู้สภาวะมันจะทําให้จิตจําสภาวะได้แม่นนะพอจิตจําสภาวะได้แม่นพอสภาวะที่เรารู้จักแล้วเกิดเนะี่ยสติจะเกิดเอง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 เรื่โกรธขึ้นมาแล้วถึงจะรู้เรามาขัดใจก็รู้เรอไปลำคาญนิดๆก็เห็นล้มันจะค่อยละเอียดขึ้นอย่าไปจงใจรู้ให้ละเอียดต้องรู้เล่นๆไปงั้นฝากกันบ้านนะใกล้จะหมดเวลากว่าหลวงพ่อไล่เดี๋ยวนี้จนปัญญาแล้วนะแต่เดิมหลวงพ่อจะสอนทีละคนะพวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆเรียนทีละคนเดี๋ยวนี้พวกเรามามากเกินไปโดยไม่ได้นัดหมายนะมากันเอง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 จะไม่รู้สึกว่ากายเป็นเราใจเป็นเรามันจะขาดสมุดเฉดเลยไม่ต้องรักษาอีก่นะก็ฝึกต่อไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะปล่อยวางความยึดถือกายใจมันจะตั้งมั่นเด่นรวงอยู่เนี้ยไม่ต้องรักษาจิตไม่ทรงสมาธิได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องรักษานะนี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามี ฝึกต่าไปอีกจนกระทั่งเห็นว่าตัวจิตตัวธาตุรู้นั่นแหละไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะปล่อยวางจิตนะมันวางมันสลัดคืนจิตออกไปอีกตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทําอีกแล้วแต่ไม่เรียกว่าพระอรหันต์ทำไมไม่เรียกรู้ไหมเพราะว่าไม่มีความสําคัญมั่นหมายที่จะเรียกอีกต่อไปละหลวงพ่อเจ้าขางั้นโยงก็ไม่ต้องทําแบบเก่าเลยใช่ไหมเจ้าค่ะโยงเหลอโยมก็ไปใช้ชีวิตปกติเลี้ยงลูกไป วันนี้ลูกดื้อโมโหรั่วโมโหวันนี้เรียกลูกมากินข้าวก็มาดีๆก็ดีใจอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องคอยรู้แบบคับลูกคับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องทคับลูกคับดอกอย่าไปทําเหนื่อยนะเห็นไห้ยอมยอมรับสารภาพว่าคับลูกคับดอกแล้วเห็นไหมเหยียบไม่สองข้างอย่างที่หลวงพ่อว่าไปก็ไม่ไปนะอยู่ก็ไม่อยู่นะเหยียบมันสองแคมนะ ก็เลิกทําไปเลยเลิกไปเลยก็รู้น้อยกว่าเดิมถือศีลห้ารู้น้อยกว่าเดิมไม่เป็นไรแต่รู้ไม่ผิดรู้อย่างเดิมรู้เยอะแต่รู้ไม่ถูกใช้ชีวิตธรรมดาหวานมารู้สึกไม่ใจหวานเริ่มคลายออกมาแล้วใจอย่างเนี้ยดีกว่าใจอย่างตะกี้นะใจคับลูกคับดอกไม่ดีดอกแใจอย่างตะกี้คือใจที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศใช่ไหมเจ้าใกัไม่ดีจะซึมซึมอย่างนั้นซึมไปเรื่อยฟัง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 คือพอพอจะรู้แล้วครับว่าวันก่อนนะแต่โลกตลกหลวงพ่อก็สอนพวกเราแลทุกวันอย่าทิ้งกรรมฐานนะอย่างนักมวยถึงเป็นแชมป์โลกมันก็ยังซ้อมชกกระสอบไม่เลิกหรอกอพวกเรานักปฏิบัติมือเก่าขนาดไหนก็ไม่ทิ้งกรรมฐา น, นะเคยพุทโธก็ทําเคยหายใจก็ทําเคยดูท้อง้องยุคก็ทําไปแล้วก็ตามรู้สภาวะไปเรื่อยวันไหนจิตใจมันเหน็ดเหนื่อยมันก็พลิกเข้าไปเป็นสมถะ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 โอ้ยไม่ไหวเราจะใหเรานั่งคุยกันเรื่องพวกนี้นะวันๆแค่คุยกับโยมเจอปฏิบัติเราก็จะตายแล้วเจอกโยมชิดมากไม่ไหวละ <c oughs> อ่ะวันนี้พอสมควรเอ๊ะคุณแม่ไปยาวมีอะไรไหมไม่รู้สึกตัวในขณะนั้นนะคะพอผ่านมาแล้วเนี่ยผ่านทาอะไรที่น่าเกลียดไม่มีสติไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตกอยู่ในอํานาจของความอยากโดยสิ้นเชิงไม่รู้สึกตัวเลยก็เมื่อผ่านแล้วนะคะ ยังว่าเอ๊ะแหมอริยาสัตย์แห่งจิตนี่ก็คล่องพูดได้แต่เวลาถึงเวลาแล้วเราตกอยู่ในอำนาจของความอยากโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็คิดแต่ว่ารู้สึกตัวดีมีสติพอสมควรพาแหมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็ผ่านแล น, นึกถึงพระอาจารย์มากใช่ไหมครัพระอาจารย์สอนได้นแหละแต่ว่าการปฏิบัติทุ่งจะไม่ดีเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็อยากจะมาเรียนขอ ขอความแนะนำจากพระอาจารย์นะคะอ๋อคุณแม่รู้ทันมันก็ดีแล้ว <c oughs> นะแท้จริงสติก็เป็นอนัตตาถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดล่นะแล้วจริงๆเราปฏิบัติก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาความรู้สึกตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเราต้องการมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าอากุศลก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงเนะี่ยความรู้รวบยอดมันอยู่ตรงจุดนีนะ้ความรู้รวบยอดไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามีสติตลอดเวลาหรอก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 กิเรสครอบงามันก็เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไม่แปลกอะไรนะเห็นได้ก็ดีแล้วล่ะที่ที่คิดว่ามันมันไม่ธรรมดาก็เพราะว่าความอยากอะไรตอนไรเล็กๆน้อยๆเคยเรียนพระอาจารย์ไว้เห็นว่าแล้วความอยากเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยนะเคยเรียนพระอาจารย์ไว้แล้วก็รู้ก็รู้แต่นั่นมันเป็นความอยากเล็กๆน้อยๆนะคะและ้วทีนี้พอมาความอยากเกี่ยวข้องกับในทางธรรม เพราะฉะนั้นทําให้เผวอไปเลยค่ะถ้าเป็นความอยากในทางธรรมแล้วมันต้องถูกนะคะคืออย่างเงี้ยเราคนดีนะละชั่วง่ายละดียากใช่เหมพอเราอยากดีนะก็ละยากเนี่ยพระเจ้าท่านบอกแล้หรือคนดีนะทําดีง่ายทําชั่วายากนคนชั่วมันก็ทําชั่วง่ายทําดียาก อย่างของคุณแม่นะก็เห็นแล้วเอออยากชั่วเนะี่ยมันไม่ดีแล้วเราเป็นคนดีนี่ให้ละอยากชั่วนะีง่ายมากเลยมองแวบมันก็ขาดแวบก็ขา ด, แบบขาดแต่ไอ้ตรงอยากดีเราเป็นคนดีอะเราก็เลยอยากอย่าไปตกใจมันด้วยว่าไอ้ที่คิดเนี่ยต้องดีหมดนะคะเพราะนั้นมันก็เลยอยากในทางที่ไม่ดีก็ไม่รู้ตัวความจริงพออยากเกิดมันก็ไม่ดีแล้วละ่ะ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 ปฏิบัติจนเห็นความจริงของทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราแล้วคืนโลก้าไปแล้วหมดภาระกันโดงที่เราปล่อยได้งั้นไม่ได้เอาดีอะไรหรอกมีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กล้องตอนนั้นอยู่ที่สวนโปมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าเนี่ยผมไปคุยถวายหลวงพ่อมนตรีนะบอกว่าผมนะครับจเจริญสตินะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเลยครับ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 งั้นความรู้สึกตัวเนี่ยหรือสติสัมมาส ม, มาธิปัญญาอะไรเนี่ยเป็นเรือที่เอาไว้อาศัยเท่านั้นเองเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาเรือลํานี้หรอกนี่คุณแม่รู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็ดีแล้วกําไรแล้วกําไรขอ้อการที่อยากเรียนพอาจารย์ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคือพอคิดเกิดนี่จะเห็นรู้ทันคิดเกิดเห็นรู้ทัน ยังไม่ต่อนะคะแต่ในบางโอกาสที่อาจจะมีความรู้สึกตัวน้อยหรือไม่มีสติมันต่อไปสักครู่อ้าวนี่กาลังคิดอยู่มันรู้สึกตัว<อ>ก็เลยอยากมาเรียนอาจารย์ว่ามันมีความดีอยู่ตรงนี้มัน<อ>เริ่มดีเลยแต่เราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่คิดนะเห็นไเราฝึกเพื่อว่าเวลามันไปคิดเรารู้ทันมันจะได้ไม่คิดสะเปะสะปะเวลากุศลไปมีธุระจะต้องคิดเราก็คิดได้